นับแต่ปรินิพานบางคนก็ว่าพอสอมไม่ถูกอีกนะักวิชาการบางคนก็บอกตอนนี้2 5งพัลห้นะึ่งละขึ้นวิสาขาใหม่แต่กี่ปีก็ไม่เป็นไรนะช่างเถอะให้พวกนักวิชาการเขาเทียงกันไปวันวิสาขาเราก็เคยเรียนกันนะเป็นวันประสูตรวันตรัสสรูปปรินิพานมีสามอย่างแต่ถ้าพูดในแง่ของตัวสภาวะ